ปัจฉาชาตะทุกกรณ์ห้าร้อยเจสิบเก้าณเหตุปัจจัยกับปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระณอารมณะปัจจัยละถึงมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีสามวาระณอันันตระปัจจัยมีสามวาระณสมนันตระปัจจัยกับปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระณสหชาตะปัจจัยละถึงมีสามวาระ นาัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนนิสยปัจจัยมีสามวาระนอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระนอเสวณปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนอาหารปัจจัยมีสามวาระนอินทรียปัจจัยมีสามวาระนาชานะปัจจัยมีสามวาระ นัมค้าปัจจัยมีสามวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตะคตนา5้าปนเหตุปัจจัยกับปัจจัย่คือปัจฉาชาตะวิปยุตตะอาทิและอวิคตะมีสามวาระ ณอรมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับมีสามวาระณสัมมันตรปัจจัยกับมีสามวาระณสหชาตปัจจัยกับมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับมีสามวาระณนิสยปัจจัยกับมีสามวาระณอุปนิสยปัจจัยกับมีสามวาระ ณปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระณอเสวณปัจจัยกับมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับมีสามวาระณอาหารปัจจัยกับมีสามวาระณอินทรียปัจจัยกลับมีสามวาระณชานะปัจจัยกับมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับมีสามวาระณสัมปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระ โนนัติปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตะปัจัยกับมีสามวาระปัจชาชาตะมูลกะในจบอาเสวนะทุกกะในห้าร้อยแปดสิบเอ็ดเหตุปัจจัยกับอาเสวนะปัจจัยมีสามวาระณอารมณปัจัจละถึงมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีสามวาระณสหชาตปัจจัยมีสามวาระ นอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนนิสยปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระนปัชชาชาตะปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนอาหาระปัจจัยกับอาศิวนปัจจัยมีสามวาระนอินทรียะปัจจัยละถึงมีสามวาระนาชานะปัจจัยมีสามวาระ ณมค่ ะ, มะปัจจัยมีสามวาระณสัมยุญตปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีสามวาระโนอธิปัจจัยมีสามวาระโนอวิคตะปัจจัยมีสามวาระอสัวันะคตนาห้าร้อยแปดสิบสองณเหตุปั จ, จัจกับปัจจัห6คืออาเยวันะอนันตระสมนันตระอุปาณิสยะนัตถิและวิคตะมีสามวาระ นอารมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระนสหชาตปัจจัยกับมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับมีสามวาระนนิสยปัจจัยกับมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระนาปชาชาตปัจจัยกับมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับมีสามวาระ ณอาหารปัจจัยกับมีสามวาระณอินทรีย์ปัจจัยกับมีสามวาระณชานะปัจจัยกับมีสามวาระณมัคคะปัจจัยกับมีสามวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโนอธิปัจจัยกับมีสามวาระโนอวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระมหาเสวนาโมลกะในจก กรรมะทุกะในห้าร้อยแปดสิบสามณเหตุปัจจัยกับกรรมะปัจจัยมีเจ็ดวาระณอารมณปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระณอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระณอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณสหชาตะปัจจัยมีสองวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระ นัณสิยปัจจัยมีสองวาระนอุปาณิสิยปัจจัยมีเจดวาระนปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนัปชาชาตปัจจัยมีเจดวาระนอาศวณัปปใจมีเจดวาระนวิปากปัจจัยมีเจดวาระนอาหารปัจจัยมีสองวาระนอินทรียปัจจัยมีเจดวาระนัชานะปัจจัยมีเจ็ดวาระนัมขะปัจจัยมีเจดวาระ ณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนอัิปัจจัยมีสองวาระโนนาธิปัจจัยมีเจดวาร ะ, โ น, นจจาระโนวิคตะปัจจัยกับกรรมะปัจจัยมีเจดวาระโนอวิคตะปัจจใจละถึงมีสองวาระกรรมะปะกินกะฆตานาห้าร้อยแปดสิบสี่ นเหตุปัจจัยกับปัจจัยสองคือกรรมะและอุปาณิสยามีสองวาระนะอารรมณปัจจัยละถึงมีสองวาระนะอธิ ป, ปติปัจจัยมีสองวาระนะอนันตระปัจจัยมีสองวาระนะสมนันตระปัจจัยมีสองวาระนะสหชาตะปัจจัยมีสองวาระนะอัญญามัญญ à, ปัจจัยมีสองวาระนะนิสยาปัจจัยมีสองวาระ นภูเรชาตปัจจัยมีสองวาระนปัชชาชาตะปัจจัยมีสองวาระณอเสวนปัจจัยมีสองวาระณวิปากปัจจัยมีสองวาระณอาหาราปัจจัยมีสองวาระนอินทรียาปัจจัยมีสองวาระณชานะปัจจัยมีสองวาระนมัคคะปัจจัยมีสองวาระณสัมปยุตตาปัจจัยมีสองวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระ โนอัติปัจจัยมีสองวาระโนนัติปัจจัยมีสองวาระโนวิคตะปัจจัยมีสองวาระโนอวิคตะปัจจัยมีสองวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจใจหกคือกรรมะอนันตระสัมมันตระปูปานิสยาณติและอวิคตะมีหนึ่งวาระนาอารมณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนาอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ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 นาชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนอัติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนอวิขตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสหชาตะคตนาห้าร้อยแปดห้านเหตุปัจจัยกับปัจใจหกคือกรมมะสหชาตะนิจยะ อาหาระอธิและอวิคตะมีเจ็ดวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีเจ็ดวาระณอธิปติปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณอนันตระปัจจัยกับมีเจดวาระณสมนันตระปัจจัยกับมีเจดวาระณอัญญามัญญาปัจจัยกับมีสามวาระณอุปนิสยาปัจจัยกับมีเจดวาระณปุเรชาตะปัจจัยกับมีเจดวาระ นปัจฉาชาตาปัจจัยกับมีเจดวาระณอาศิวนาปัจจัยกับมีเจดวาระณวิปากาปัจจัยกับมีเจดวาระณอินทรียปัจจัยกับมีเจดวาระณาชานะปัจจัยกับมีเจดวาระนมัคคปัจจัยกับมีเจดวาระณสัมบยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระณวิบยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระโนนัติปัจจัยกับมีเจดวาระ นวิคตาปัจจัยกับมีเจดวาระณเหตุปัจจัยกับปัจใจเจ็คือกรรมะสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยามาระอัติและอวิคตะมีสามวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระณอนันตระปัจจัยกับมีสามวาระณสมนันตระปัจจัยกับมีสามวาระ นอุปนิสยปัจจัยกับมีสวาระนาปเรชาตาปัจจัยกับมีสวาระนปาปฉาชาตาปัจจัยกับมีสวาระนอาศัยวะนปัจจัยกับมีสวาระนวิปากปัจจัยกับมีสวาระนอินทรียาปัจจัยกับมีสวาระนาชาณปัจจัยกับมีสวาระนมข้าปัจจัยกับมีสวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับมี1วาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือกรรมะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอาหาระสัมำยุตตาอัตติและอวิคตะมีสามวาระนัอารมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนัอธิปติปัจจัยกับ มีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับมีสามวาระณสมณันตระปัจจัยกับมีสามวาระณอุปนิสยปัจจัยกลับมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระณปัจจาชาตปัจจัยกับมีสามวาระณอเศวณปัจจัยกับมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับมีสามวาระณอินทรียะปัจจัยกับมีสามวาระ นัชานปัจจัยกับมีสามวาระนัมค้าปัจจัยกลับมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระโนนัธิปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คือกรรมะสหชาตะนิจยะอหาระวิปยุตตะอธิและอวิคตะมีสามวาระ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 ณอาศัยวณัจจัยกับมีสามวาระณวิปากะปัจจัยกับมีสามวาระณอินทรียะปัจจัยกับมีสามวาระณชานะปัจจัยกับมีสามวาระนมัคคะปัจจัยกับมีสามวาระณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโนนัติปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระอวิปากะสี่ นัเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คือกรรมะสหชาตะนิสยะวิปากะอาหาระอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระนอารมณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัอนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัสัมมันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัอัญญามัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ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 โนนัติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือกรรมะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอหาระอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ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 นาวิปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนาถิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาะเหตุปัจจัยกับปัจจเก้าคือกรรมะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะอาหาระสัมปยุตตาอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระนาะอารมณะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ ณอธทิตติปัจใจกับมีหนึ่งวาระณอันันตรปัจใจกับมีหนึ่งวาระณสมานันตรปัจใจกับมีหนึ่งวาระณอนิสิยาปัจใจกับมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจใจกับมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจใจกับมีหนึ่งวาระณาอเสวนาปัจใจกับมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจใจกับมีหนึ่งวาระณชาณะปัจใจกับมีหนึ่งวาระ นัมมะฆาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจใจแปดคือกรรมสหชาตะนิสยะวิปากะมาหาระวิปยุตตะอถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระนัอารมณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ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 นาชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมัคค่าปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนาธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย9เคือกรรมะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอาหาระวิปยุตตะอัธิและอวิคตตะมีหนึ่งวาระ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 นอ e, e ินทรียปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณาชาณะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมะฆาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะ5กรมมะมูลกะในจบ วกะทูกะในห้า้อยแปดสิหณเหตุปัจจัยขวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยละถึงมีนหน <tr> ึ่งวาระณอธิปติปัจจัยขวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอนันตระปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระณสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาศวณปัจจัยมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมข้าปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระ โนนาธิปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากะคตานา587น้เหตุปัจจัยกับปัจจัย5คือวิปากะสหชาตะนิสยะอาธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณอธิปฏิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอนาตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นาสัมมันตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอัญญมัญญะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอุปนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาปชาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอาศเวนปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนากรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอินทริยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ น า, าจารณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมัคค่าปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนาธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือวิปากะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยอาอัตติ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 นภูเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนปชาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอาศวณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอินทรียะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมข้าปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ โนนัตถิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจหก6คอวิปากะสหชาตะนิสยะวิปยุตตาอัตถิและอวิคตะมี claro> Souls> okay หนึ่งวาระนอารมณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจัยกับมีหนึ่งวาระณอนาตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นสัมณันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอุปานิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนปุเรชาตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนปัชชาชาตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอเสวนปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นะชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมัคคะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจใจเจตเควิปากะชหชาตะอัญญะมัญญะนิสยะวิปยุตตะอาติและอวิคตะมีหนึ่งวาระณอารมณะปัจจัยกับ และถึงมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจใจกับมีหนึ่งวาระณอนนันตระปัจใจกับมีหนึ่งวาระณสมนันตระปัจใจกับมีหนึ่งวาระณอบปานิสยาปัจใจกับมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจใจกับมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจใจกับมีหนึ่งวาระณอเจวะณะปัจใจกับมีหนึ่งวาระณกรรมปัจใจกลับมีหนึ่งวาระ ณอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณชาณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมคระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนาธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปากโมกะในจกอาหารทุกข์ในห้าร้อยแปดสปด นเหตุป si ัจจัยก <right> ับอาหารรปัจจัยมีเจ็ดวาระณอารมณะปัจ <Dan>. จ <halfway> ัยละถึงมีเจ็ดวาระณอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระณอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณสหชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสยปัจจัยมีเจ็ดวาระ นภูเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนปัชาชาตปัจจัยมีเจดวาระนอเสวณปัจจัยมีเจดวาระนกรรมปัจจัยมีเจดวาระนวิปากปัจจัยมีเจดวาระนอินทริยปัจจัยมีเจดวาระนชาณปัจจัยมีเจดวาระนมขะปัจจัยมีเจดวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระ โนนาเถปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยมีเจดวาระอาหารมิจกะคาตนา589นเหตุปัจจัยกับปัจจัยมคืออาหารอาธิและอวิคตะมีเจดวาระนาอารรมณปัจจัยกับละถึงมีเจดวาระนอธิปติปัจจัยกับมีเจดวาระนอนันตระปัจจัยกับมีเจดวาระ ณสมนันตระปัจจัยกับม <eti> um ีเจดวาระณสหชาตปัจจัยกับมีหน uh ึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับมีสวาระณนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอุปนิสยปัจจัยกับมีเจดวาระณปุเรชาติปัจจัยกับมีเจดวาระณปัจฉาชาติปัจจัยกับมีเจดวาระณอาจิวนปัจจัยกับมีเจดวาระ นกรรมปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับมีเจดวาระนอินทริยปัจจัยกับมีเจดวาระนัานะปัจจัยกับมีเจดวาระนมฆาปัจจัยกับมีเจดวาระนสัมบยุตตปัจจัยกับมีสามวาระนวิบยุตตปัจจัยกับมีสามวาระโนนัติปัจจัยกับมีเจดวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีเจดวาระ สหาชาตะสามัญญะครตนา5้าร้อเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คืออาหาระสหาชาตะนิสยะอัตถิและอวิคตะมีเจ็ดวาระณอรารมณปัจจัยกับและถึงมีเจดวาระณอธิปติปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณอนันตระปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณสมนันตระปัจจัยกับมีเจ็ดวาระ นอัญญมัญญปัจัยกับมีสามวาระนอุปาณิสยปัจัยกับมีเจดวาระนาปุเรชาตปัจัยกับมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจัยกับมีเจดวาระนาอาศวณปัจัยกับมีเจดวาระนกรรมปัจัยกับมีเจดวาระนวิปากปัจัยกับมีเจดวาระนอินทริยปัจัยกับมีเจดวาระนาชานะปัจัยกับมีเจดวาระ ณมัคคปัจจัยกับมีเจดวาระณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโนนาทิปัจจัยกับมีเจ็ดวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยหกคืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอัติและอวิคตะมีสามวาระ นอารมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระนอนันตรปัจจัยกับมีสามวาระนสมนันตระปัจจัยกับมีสามวาระนอุปนิสยปัจจัยกับมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับมีสาวาระนาปชัชชาตปัจจัยกับมีสามวาระนอาศวณปัจจัยกับมีสามวาระ นกกรมปัจจัยกลับมีสวาระนวิปากปัจจัยกลับมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกลับมีสาวาระนัชานะปัจจัยกลับมีสามวาระนมัคคปัจจัยกลับมีสามวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกลับมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกลับมีสาวาระโนนัติปัจจัยกลับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกลับมีสามวาระ นัเหตุปัจจัยกับปัจจัยเคืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระนัณารรมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนัอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระนัอนันตระปัจจัยกับมีสามวาระนัสมนันตรปัจจัยกับมีสามวาระนัอุปนิสยะปัจจัยกับมีสามวาระ นาปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระณอเสวณปัจจัยกับมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับมีสามวาระนอินทรียะปัจจัยกับมีสามวาระนาชานะปัจจัยกับมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระ นโนนัตถิปัจจัยกับมีสามวาระนโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยหกคืออาหาระสหชาตะนิสยะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระณอานันตระปัจจัยกับมีสามวาระณสมานันตระปัจจัยกับ มีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับมีสามวาระณอุปาณิสยปัจจัยกับมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระณอาเจวนปัจจัยกับมีสามวาระนกามะปัจจัยกับมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับมีสามวาระณอินทรียปัจจัยกับมีสามวาระ นาชานาปัจจัยกลับมีสามวาระนมัคคปัจจัยกลับมีสามวาระนสัมยุญตปัจจัยกับมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกลับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระอวิปากะสีนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออาหาระสหชาะะตะนิสย า, าวิปากะาก อ, อัะอตอิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ นอารมณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอนันตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนสมมันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอุปานิสยปัจใจกลับมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นาอาศวณปัจจัยก <re phone uent> mm ับมีหนึ่งวาระนากรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอินทรียปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาฌานปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยกลับมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ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 โนนาธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะสำปรยุติอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระนาอารมณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนาอธิปฏิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ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 นวิปยุตตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนาธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจใจเจ็คืออาหาระสหชาตะนิจยะวิปากะวิปยุตตะอาธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระนอาอรมณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนอธิปฏิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นาอนันตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสมมันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอุปนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณาุเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอาเจวนปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอินทรียาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นชาะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิจยะวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตตะมีหนึ่งวาระ นาอารมาณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนาอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาสมนันตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอุปานิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอินทริยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณักชาญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมยุญตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะห้า